นัญชาณิพรามป่วยหนักครั้งนั้นทนัญชานิพรามชื่นชมยินดีภาษีของท่านพระสารีบุตรลุกจากที่นั่งแล้วจากไปสมัยต่อมาทนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมากล่าวว่ามานี่เถิดพ่อคุณท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายอภิวาทพระยุคนรบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว ตามคําของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วไหว้เท้าของพระคุณเจ้าสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญธนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนัก ขอไหว้เท้าของพระคุณเจ้าสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดเข้าไปยังนิเวศของธนัญชานิพรมด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนาันชา น, นิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาสพระายุคนระบาดของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรแล้วเดียกราบเรียนว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญทน น, นนัชานิพรมป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนัก ขอไหว้เท้าของพระคุณเจ้าสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดเข้าไปยังนิเวศของทนัญชานิพราหมณ์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยอาการดุษณีภาพ รสารีบุตรเข้าเยี่ยมธนัญชานิพรามลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของธนัญชานิพรามนั่งบนอาสนะที่ปูรลาดไว้แล้วเด็กกล่าวกับธนัญชานิพรามว่าธนัญชานิท่านยังพอทนได้หรือสบายดีหรือพอจะยังอัตภาพไม่เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่กำเริบขึ้นหรือ อาการค่อยคลายลงไม่รุนแรงขึ้นหรือทนานชานิพรามกราบเรียนว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะแม้ฉันใด โยมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่แรงกล้าเสียดแทงสีสะเหลือกำลังโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวคันที่สีสะแม้ฉันใดโยมก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกเวทนาที่มีประมาณยิ่งบีบคั้นที่ศีรษะโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพไม่เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดโยมก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกลมที่มีประมาณยิ่งเสียดแทงท้องอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพไม่เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่คลายลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยพระคุณเจ้าสารีบุตรคนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่อ่อนแอกว่าที่แขนคนละข้างย่างไว้ที่หลุม่านเพลิงแม้ฉันใด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 ติภูมิสุขติภูมิท่านพระสารีบุตรถามว่าทนานันชานิท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรนรกกับกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันทนาันชานิพรามตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรกําเนิดสัตว์เดรัจฉานประเสริฐกว่านรกขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกําเนิดสัตว์เดรัจฉานกับเปรตวิสัย อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเปรตวิสัยประเสริฐกว่ากำเนิดสัตว์เดลชานขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเปรตวิสัยกับมนุษย์อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันมนุษย์ประเสริฐกว่าเปรตวิสัย kleine, ขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมนุษย์กับเทพชั้นจาตุมหาราชอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นจาตุมหาราชประเสริฐกว่ามนุษย์ขอรับ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นจาตุมหาราชกับเทพชั้นดาวเดืองอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นดาวเดืองประเสริฐกว่าเทพชั้นจาตุมหาราชขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นดาวเดืองกับเทพชั้นยามาอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นยามาประเสริฐกว่าเทพชั้นดาวเดืองขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เทพช ah ั้นยามากับเทพชั้นดุสิตอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นดุสิตประเสริฐกว่าเทพชั้นยามาขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นดุสิตกับเทพชั้นนิมมานรดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นนิมมานนรดีประเสริฐกว่าเทพชั้นดุสิตขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เทพชั้นนิมมานรดีกับเทพชั้นปรณิมมิตววรวัสวัตดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นปรณิมมิตววรวัสวัตดีประเสริฐกว่าเทพชั้นนิ ม, มานรดีขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นปรณิมมิตววรวัสวัตดีกับพรหมโลกอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านนันชานิพรมตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรกล่าวว่าพรหมโลก พระคุณเจ้าสารีบุตรกล่าวว่าพรหมโลกครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรมีความคิดว่าพรามเหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ธนัญชานิพราหม์จึงกล่าวว่าทนัญชานิเราจะแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหม ท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทนานชานิพรามรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรเดียกล่าวว่าทนานชานิทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไร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 นี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมทนานชานิพรมกล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำของโยมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนานชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนัก เขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรทำให้ธนัญชานิพราดดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่าในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปลุกจากอาสนะแล้วจากไปลำดับนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นานธนัญชานิพรามก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลกครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ทำให้ธนัญชานิพรามดำรงอยู่ในพรหโมโลกชั้นต่าในเมื่อมีกิจที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปลุกจากอาสนะแล้วจากไปต่อมาท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท น, นานิพรานป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาสพระยุคคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงทำให้ท น, นานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไป แล้วลูกจากอาสนะจากไปเสียเล่าท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรทนัญชานิพรมตายไปบังเกิดในพรหมโลกแล้ว ดังนี้แลธนัญชานิสูตรที่เจ็ดจบ 8. วาเศรษฐสูตรว่าด้วยมานบชื่อวาเศรษฐ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าอิจชานังคละใกล้หมู่บ้านชื่ออิจชานังคละสมัยนั้นในหมู่บ้านอิจชานังคละมีพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงมาพักอยู่หลายคนคือจังกีพราหมณ์ตาลุคพราหมณ์โปคระสาติพราหมณ์ชานุโสนิพราหมณ์โตเทยยพราหมณ์ และยังมีพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงคนอื่นอีนอกครั้งนั้นเมื่อมานพชื่อว่าเศรษฐะกับมานพชื่อพารัฐวาชะเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้สนทนากันค้างไว้อย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์พารัตวาชะมานพกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ บุคคลเป็นผู้มีชาติกําเนิดมาดีทั้งสองฝ่ายคือต้องฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาเธอปฏิสนทิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตรกูลด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าเป็นพรามวาเศรษฐมานกกล่าวว่าท่านผู้เจริญบุคคลเป็นผู้มีศีลและถึงพร้อมด้วยวัดด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นพราหมณ์ภารัชวาชะมานพไม่อาจให้วาเสธมานพยินยอมได้ถึงวาเสธมานพก็ไม่อาจให้ภารัชวาชะมานพยินยอมได้เหมือนกันลําดับนั้นวาเสธมานพได้เรียกภารัชวาชะมานพมากล่าวว่าพระสมณโคโดมผู้เป็นสักยะบุตรนี้เสด็จออกพนวดจากสักยะตระกูล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 เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคมาเถิดท่านพารัตวาชะเราทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วทูลถามเนื้อความนี้พระสมณโคดมจกตรัสตอบแก่เราทั้งหลายอย่างไรเราทั้งหลายจากทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นพารัตวาชะมานกรับคำแล้วลำดับนั้น ว่าเศรษฐ า, านพและพารัตวะชามานพเด็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรว่าเศรษฐ า, านพเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้ทรงไตรเพศอันอาจารย์อนุญาตแล้วและปฏิญญาได้เองว่าเป็นผู้ได้ศึกษาแล้ว ข้าพระองค์เป็นสิทธิท่านโปคราสาติพราหมณ์มนุผู้นี้เป็นสิทธิท่านตารุขพราหมณ์ข้าพระองค์ทั้งสองรู้จบบทที่พราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศบอกแล้วเป็นผู้มีข้อพยากรณ์แม่นยำตามบทเช่นเดียวกันกับอาจารย์ในการกล่าวมนต์ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ทั้งสองโต้เถียงกันในการกล่าวถึงชาติกําเนิดคือพารัตวาชะมานกกล่าวว่า บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิดส่วนข้าพระองค์กล่าวว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมพระองค์ผู้มีพระจักสุขอจงทรงทราบอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไม่อาจจะให้กันและกันยินยอมได้จึงได้มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ ชนทั้งหลายเมื่อจะเข้าไปประนมมือถวายบังคมก็จะถวายอภิวาสพระโคดมได้ทั่วโลกเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระโคดมผู้เป็นดวงจักสุอุบัติขึ้นในโลกว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกาเนิดหรือบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมขอจงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งสองผู้ไม่ทราบ โดยประการที่จะทราบถึงบุคคลผู้เป็นพรามนั้นเถิดพรามในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยคาถาว่าว่าเศรษฐะ เราจะพยากรณ์ถึงความพิสดารแห่งชาติกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายตามลำดับความเหมาะสมแก่เธอเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีชาติกำเนิดแตกต่างกันหลายเผ่าพันธุ์เธอทั้งหลายรู้จักหญ้าและต้นไม้แต่หญ้าและต้นไม้ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นหญ้าเป็นต้นไม้หญ้าและต้นไม้เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานสาเร็จมาแต่กาเนิดเพราะธรรมชาติของพวกมันต่างกันต่อไป เธอทั้งหลายจงรู้จัก a, แมลงคือตั๊กแตนตลอดจนถึงพวกมดดำมดแดงสัตว์ตเหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกําเนิดเพราะกําเนิดของพวกมันต่างกันเธอทั้งหลายจงรู้จักสัตว um sure ์สีเท้าทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่สัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกาเนิดเพราะกาเนิดของพวกมันต่างกันเธอทั้งหลายจงรู้จักพวกสัตว์เลื้อยคลาน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 สัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของพวกมันต่างกันรูปร่างสันฐานของพวกสัตว์เหล่านี้ต่างกันตามกำเนิดมากมายฉันใดแต่ในหมู่มนุษย์ไม่มีรูปร่างสันฐานแตกต่างกันไปตามกำเนิดมากมายฉันนั้นคือผมก็ไม่แตกต่างกันสีสะใบหูในตาใบหน้าจมูกริมฝีปากคิ้วคอบ่า ทองหลังจะโพกอกซอกอวัยวะอวัยวะสื่อพันธุ์มือเท้านิ้วมือเล็บแข้งขาอ่อนผิวพันธุ์หรือเสียงก็ไม่แตกต่างกันในหมู่มนุษย์จึงไม่มีรูปร่างสันฐานตามกําเนิดแตกต่างกันมากมายเหมือนในกําเนิดอื่นๆเลยในหมู่มนุษย์ในสิริระของแต่ละคนไม่มีความแตกต่างกันเฉพาะตัว การเรียกกันในหมู่มนุษย์เขาเรียกตามบัญญัติวาเศษธะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยโครคกกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าชาวนาไม่เรียกว่าพราหมว่าเสธะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยศิลปะหลายอย่างผู้นั้นเรียกว่าช่างศิลปะ ไม่เรียกว่าพรามว่าเสษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าพ่อค้าไม่เรียกว่าพรามว่าเสษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้คนอื่นผู้นั้นเรียกว่าคนรับใช้ไม่เรียกว่าพรามวาเสษฐะ เธอจงรู้อย่าง น, น f, ี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยทรัพย์ที่ลักเขามาเลี้ยงชีพผู้นั enfin ้นเรียกว่าโจรไม่เรียกว่าพรามวาเศรษทะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยลูกศรและศัตราเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าทหารอาชีพไม่เรียกว่าพรามวาเสษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการเป็นปุโรหิตผู้นั้นเรียกว่าผู้ประกอบพิธีกรรมไม่เรียกว่าพรามว่าเศธะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามปกครองท้องถิ่นและแว่นแคว้นผู้นั้นเรียกว่าพระราชาไม่เรียกว่าพรามเราไม่เรียกบุคคลผู้ถือกำเนิดเกิดในคันมานดาว่าเป็นพราม ถ้าเขายังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโพวาทีเท่านั้นเราเรียกผู้หมดกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นนั้นว่าเป็นพรามเราเรียกผู้ตัดสังโยดได้ทั้งหมดไม่วาสะดุ้งพ้นจากกิเลสเครื่องคล้องปราศจากโยคะว่าเป็นพรามเราเรียกผู้ตัดชนะคือความกโกรธตัดเชื่อคือตัณหา ตัดหัวเงื่อนคือทิฏฐิ62พร้อมทั้งสายโยงคืออนุสัยกิเลสได้ถอดลิ่มสลักคืออวิชชาตรัสรู้อริยสัจแล้วว่าเป็นพรามเราเรียกผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั้นต่อคำดา่าการทุบตีและการจองจำมีขันติธรรมเป็นพลังมีพลังใจเข้มแข็งว่าเป็นพรามเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดเคร่งครัดมีศีลบริสุทธ ไม่มีตัณหาฟูใจขึ้นอีกฝึกตนได้แล้วมีสรีระเป็นชาติสุดท้ายว่าเป็นพรามเราเรียกผู้ไม่ติดใจในกามทั้งหลายเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมนั้นว่าเป็นพรามในศาสนานี้เราเรียกผู้ที่รู้ชัดถึงภาวะสิ้นกองทุกของตนปรงขันธภาระลงได้แล้ว ราษฎรกิเลสทั้งปวงว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นนักปราดฉลาดในทางและมิใช่ทางบรรลุอรหัตผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้มีคลุกคลี ก, กับครอหอขัดและบรรพชิตทั้งสองฝ่ายที่ยวจาเรียกไปไร้ตรงวลมีความมักน้อยว่าเป็นพราหมณ์ เราเรียกบุคคลผู้งดเว้นจากการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทุกจำพวกทั้งที่สะดุ้งและที่มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ผู้อื่นให้ฆ่าว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ไม่คิดร้ายเมื่อบุคคลอื่นยังคิดร้ายผู้สงบระ ง, งับเมื่อบุคคลอื่นยังมีอาชญาในตนผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อบุคคลอื่นยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นพราม เราเรียกบุคคลผู้ทำ ร, ราคะโทสะโมหะมานะและมะะัคคะให้ตกไปจากจิตได้เหมือนเมล็ดพันุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้เปล่งถ้อยคำไม่หยาบให้รู้ความกันได้เป็นคำจริงซึ่งไม่เป็นเหตุทำใครๆให้คล่องอยู่ว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ในโลกนี้ ไม่ว่าจะยาวหรือสั้นจะเล็กหรือใหญ่จะสวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีความหวังอยากเป็นโน่นเป็นนี่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหมดความทยานอยากโดยสิ้นเชิงมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีความอะไรคือตัณหารู้แจ้งชัดจนหมดความสงสัย มีจิตน้อมไปสู่อมตะธรรมจนบรรลุได้ในที่สุดว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ละบุญและบาปทั้งสองได้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องแล้วหมดความเศร้าโศกปราศจากทุลีคือกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้หมดสิ้นตัณหาที่นำไปเกิดในภพทั้งสามมีจิตไม่มัวหมอง ผงใสบริสุทธิ์ดุดดวงจันทร์วันเพ็ที่ปราศจากเมฆหมอกว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ข้ามพ้นทางอ้อมคือราคะทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อคือกิเลสสังสารวัฏและโมหะได้แล้วเป็นผู้ข้ามโอคะไปถึงฝั่งมีจิตเพ่งพินิจอยู่เสมอไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลในโลกนี้ผู้ละกามทั้งหลาย บวชเป็นบรรปะชิตสิ้นภวะตันหาแล้วว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลในโลกนี้ผู้ละตันหาได้แล้วบวชเป็นบรรปชิตสิ้นกามและพบแล้วว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ละโยคะที่เป็นของมนุษย์แล้วล่วงพ้นโยคะที่เป็นของทิพย์เสียได้มีจิตหลุดพ้นจากโยคะทั้งหมดว่าเป็นพราม เราเรียกบุคคลผู้ละได้ทั้งความยินดีและความยินร้ายเป็นผู้สงบเยือกเย็นปราศจากอุปธิกิเลสครอบงำโลกคือขันทั้งหมดได้มีความเพียรว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้รู้ชัดการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการทั้งปวงเป็นผู้ไม่ติดข้องดาเนินไปด้วยดีรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพราม เราเรียกบุคคลผู้ที่เทวดาคนทันและมนุษย์ผู้ไม่สามารถอย่างรู้ถึงคติได้สิ้นอาสะวะแล้วเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันหมดความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้องค์อาจประเสริฐมีความเพียรแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ชนะมานได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องทําให้วันไวชำระล้างกิเลสได้แล้วรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพรามเราเรียกบุคคลผู้ระลึกถึงอดีตชาติได้เห็นสวรรค์และนรกถึงความสิ้นไปแห่งชาติแล้วว่าเป็นพรามอันที่จริงนามและโค้ที่เขากำหนดให้กันนั้นเป็นเพียงสมุติบัญญัติในโลก นามและโคตปรากฏอยู่ได้เพราะรู้ตามกันมาญาสาโลหิตกำหนดไว้ในการเกิดนั้นๆ น, น, นามและโคตที่กำหนดเรียกกันนี้เป็นความเห็นที่ฝังแน่นอยู่ในใจมานานของพวกคนผู้ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้จึงกล่าวบุคคลว่าเป็นพรามโดยกำเนิดบุคคลเป็นพรามเพราะชาติตรกูลก็หาไม่หรือไม่เป็นพรามเพราะชา ต, ตรกูลก็หาไม่ บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมหรือไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นช่างศิลปะก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นผู้รับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นทหารอาชีพก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมทั้งนั้น บัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทมีความรู้ความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมย่อมพิจารณาเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตรึงไว้แล่นไปอยู่บุคคลเป็นพรามได้เพราะกรรมนี้คือตบะ พรหมจันทร์สัญญะธรรมะนี้เป็นคุณธรรมสูงสุดของพรามว่าเศษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยวิชาสามสงบสิ้นพบใหม่แล้วเป็นทั้งพรหมและเท้าสักกะของบรรัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วว่าเศษษะมานพและพาราะทวชมาพ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 คนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสระณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลว่าเศรษฐสูตรที่8ปดจบ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 อาศัยอยู่ในนิเวศของข้าบดีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพราม์เรกล่าวกับข้าบดีผู้ที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศว่าท่านข้าบดีข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่ากรุงสาวัตถีไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยวันนี้เราควรเข้าไปนั่งใกล้สมณนะหรือพราหม์คนใดดีหนอ ข้าบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิญญเกษฐีเขตขรุงสาวัตถีท่านจงเขาเ้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุพมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพรามรับคําแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนาที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพราหม์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าครหัตเป็นผู้ยังกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ให้สำเร็จบรณฑปชิตไม่ยังกุศลธรรมนั้นให้สำเร็จในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมจะตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานก ในเรื่องนี้เราแยกกล่าวมิได้รวมกล่าวเราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิดของครหัสหรือบรรปะชิตจริงอยู่ครหัสหรือบรรปะชิตผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยังกุศลธรรมเครื่องนาออกจากทุกข์ให้สาเร็จเพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมานกเรากล่าวสรรเสริญการปฏิบัติชอบของครหัตหรือบรรปะชิต จริงอยู่ขรหัสหรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบชื่อว่าเป็นผู้ยังกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ให้สำเร็จเพราะเหตุแห่งอธิกรคือการปฏิบัติชอบ